โมตัสสะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนามาสาอี วันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอยู่ยากกว่าเดิมเหตุผลก็เพราะว่ามันมีการแข่งขันกันมากขึ้นเราแข่งขันกันหลายเรื่องทั้งเรื่องเองินเดือนทั้งเรื่องอาชีพการงานแข่งขันกันเพื่อจะได้มีที่ที่ว่าง ในรถประจำทางรถไฟฟ้าแข่งกันในการที่จะดูหนังนะหรือว่าหาความสะดสบายและสิ่งที่เราแข่งกันอยู่ไม่น้อยคือแข่งกันทันสมัยเดี๋ยวนี้ผู้คนจนคนไม่น้อยนี้ก็พยายาม ขวดกันว่ารวยเนี่ยทันสมัยมากกว่าคนอื่นทิน่เตรียสารรายการโทรทัศน์หลายรายการมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการชนิดนี้ของผู้คนนะก็คือความใหญ่เป็นคนทันสมัยและทันสมัยยังไม่พอนะต้องทันสมัยมากกว่าคนอื่นด้วย วันนี้เรามาดูนะว่าความทันสมัยเนี่ยที่พูกพูดกันเนี่ยหมายถึงอะไรทำไมเป็นการเป็น่านิยมนะที่กำหนดชีวิตของผู้คนสามารถทำให้สุขและทุกข์ก็ได้ทำให้ดีใจและเสียใจก็ได้แต่เ ร, รื่องารเงดนกนเนี่ย ความทันสมัยที่พวผู้คนพูดถึงเนี่ยมันรู้แล้วแต่เป็นเรื่องการเสริมการบริโภคเช่นแต่งตัวทันสมัยหรือว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยถ้าใครมี iPhone 6ใช้ก็ถือว่าทันสมัยหรือว่าอีกไม่นานใคร iPhone 7ใช้ก็ถือว่าทันสมัย ในทางตรงข้ามถ้าใครเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ก็ถือว่าไม่ทันสมัยหรือว่าเชยใครที่ได้เคยไปกินอาหารในพัตตะคารชื่อดังที่ใครๆรู้จักกันหรือว่าได้ดูหนัง ด่าสุดอย่าง Star Wars ก็ถือว่าทันสมัยใครที่ได้ใช้รู้จักใช้ไลน์ใช้เฟซบุ o กเนี่ยก็ถือว่าทันสมัยแต่ถ้าใครไม่รู้จักใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็ถือวไม่ทันสมัยแต่ถ้าเราดูเนี่ยคำว่าทันสมัยเนี่ยส่วนใหญ่หรือแถ้าทั้งหมดเนี่ยมันก็วนเวีอยู่กับเรื่อง ก, การเสพการบริโภคหรือว่าการมี ถ้าไม่มีก็เรียกว่าเชยไม่ว่าลาสมองแต่ถามว่ามีของที่ทันสมัยเนี่ยมันทำให้มีความสุขหรือเปล่าความสุขอาจะมีแต่ก็ชั่วครั้งชั่วคราวเสร็จแล้วก็กลายเป็นทุกข์ถ้าหากว่าจะมีของเดิม คนที่มี iPhone 6และมีความสุขเนี่ยเพราะว่าทันสมัยเพราะรู้สึกว่าทันสมัยก็ดีหรือเพราะรู้สึกว่าเรามีของดีใช้ก็ตามปีหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์ละเพราะว่าไอของที่ถือว่าทันสมัยเนี่ยมันกลายเป็นล้าสมัยไปละ เมื่อคนที่มี iPhone 4ทุกวันนี้เนี่ยถ้ายังใช้อยู่ก็ถือเป็นคนเชิแต่เมื่อสองปีก่อนเนี่ยถือว่าทันสมัยต้อาไปเข้าคิวนะคิวยาวรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสีห้าชั่วโมงกว่าจะซื้อมาได้หนึ่งเครื่องตอนที่ได้ iPhone 4ก็มีความสุข ม, มากนะ แต่ตอนนี้ถ้ายังใช้อยู่เนี่ยก็จะมีความถูกแล้วเพราะว่ามันไม่ทันสมัยนะเพื่อนเขใช้ iPhone มไปแล้วไอ้เรายังใช้ iPhone 4ไ อ, อ 4. ้เนี่ยเรียกว่าเป็นความสุดก็จริงนะแต่เป็นสุดชั่วคราวเพราะว่าทันสมัยของอยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีชั่วเวลา เป็แค่ประเดีประยามันไม่ใช่ปีอาจจะไม่กี่เดือนก็ล้าสมัยแนละ้วตอนนี้เนี่ยตุ๊กตาลุกเทปก็ถือว่าใครนี่ก็ทำสมัยนะแต่เราก็ไม่รู้นะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยอาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ไดนะ้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วข้ามยอคเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความสุขเพราะทันสมัยก็จะทุกข์เมื่อมันการเป็นของล้าสมัยและสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะกับชีวิตปัจจุบันเนี่ยที่ต่างนิยมเชิดชูความทันสมัยเนี่ย สิ่งที่มันะจะเกิดขึ้นก็นคือผู้คนเนี่ยรู้สึกว่างเปล่าว่างไปนะคือว่างเปล่าความสุขหัวข้อบรรยายในวันนี้เนี่ยนะมันตรงมากเลยนะที่ผู้จัดตั้งให้เนี่ยทันสมัยแต่ว่างเปล่าเขาว่าว่างเปล่าเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าในทางนามธรรมถึงแม้ว่าจะมีของอยู่เต็มรอบตัวเต็มบ้าง แต่ข้างในเนี่ยมันกลวงกลวงอย่างแรกคือกลวงความสุขที่แท้หรือว่างกล่าความสุขที่แท้ความสุขที่แท้เนี่ยนะมันจะมีความยั่งยืนกว่าแล้วความสุขที่แท้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการมีการเสพไม่ได้เกิดจากการบริโภคความสุขจากการมีการเสพการบริโภคเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วกว่าจริงนะ แต่มันอยู่ได้ไมน่นานแต่ฟั่งเพลงเพราะได้กินอาหาร่อยก็มีความสุขแล้วแต่ความสุขจากการฟังเพลงเพราะการกินอาหารอร่อยเนี่ยมันประดยบประดาวกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพระมีความสุขแต่พอเปิดโทรศัพท์มือถือเห็นข้อความทางไลน์ทาง Facebook มีเพื่อนมาต่อว่านะือว่าเจอข่าวนักการเมืองที่ไม่ชอบไอความสุขที่มีนั้นก็หายไปเลย เ, ลยเกิดความขุ่นเคือขึ้นมาแทนมันละลายหายไปเร็วยี่กว่าน้ำแถนนะ็งในในถ้วยสิ และเพราะเหตุ น, นี่แหละที่ทำให้คนเนี่ยต้องหาสิ่งเสรหาสิ่งบริโภคอยู่เรื่อยๆไม่มีใครนะที่กินอาหารอร่อยเนี่ยติดต่อกันทุกมือทุกมือแล้วจะยังมีความสดอยู่สมมติว่าเราชอบอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามเช่นไก่ย่าง ส้ตมตำหูปาฉลามเนีแฮมเบอร์เกอร์คริสปิ้นอะไรก็ได้เนี่ยเราลองกินทุกวันกินทุกมือ้อมื้อแรกเนี่ยอร่อยมื้อต่อไปก็ยังอร่อยแต่ถ้าเรากินทุกวันทุกวันทุกมือ้อทุกมื้อเนี่ยนะความอร่อยก็จะลดลง จากที่เคยอร่อยก็ในสุก็รู้สึกเฉยๆและจากเฉยก็กลายเป็นเบือถ้ากินต่อไปอีกสองอาทิตย์จากเบื่อก็กลายเป็นเอียนแต่ถ้ากินต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์จากเอยวก็กลายเป็นอาเยนเลยนะใช่ไหมความอร่อยในยจากอาหารเนี่ยมันไม่ยัง่งยืนเลยนะมันจะค่อยลดลดลดแล้วก็หายไป และกลายเป็นตรงข้ามขึ้นมาเพลงที่พร้อมเนี่ยเราฟังพร้อมเมื่อฟังครั้งแรกแต่ถ้าเราพลงนั้นฟังเพลงนั้นซ้ำแล้วซ้าอีกเป็นสิบครั้งเป็นที่สิบครั้งเป็นร้อยครั้งเนี่ยความไพเราะหรือความสุขที่ได้จากเพลงนั้นก็จะค่อยน้อยลงค่อยๆลงจนเบื่อไปในที่สุดเพราะเห็นนี้เนี่ยเราดิ้ต้องฟังเพลงใหม่อยู่เรื่อยๆตลาดเพลงไม่มีวันตาย นะเพราะว่าคนเนี่ยจะเบื่อง่ายนะจะอยากฟังเพลงใหม่เรื่อยๆ เ, เพื่อเติมความสุขใ น, นใจิตใจและความสุขนั้นก็มีอายุแค่ประเดี๋ยวกระดาวอันนี้ก็เช่นเดียวกับการความสุขจากการมีเสื้อผ้าสวยๆไม่ว่าเสื้อที่ซื้อมา มันจะทันสมัยแค่ไหนแต่มันก็ให้ความสุขเพียงแค่ชั่วคราวทำไมคนบางคนเนี่ยมีเสื้อเป็นร้อยตัวเศรษฐีบางคนมีรองเท้าเนี่ยสามร้อยคู่นะเพราะอะไรในเมื่อคู่นี้ น, นะก็ใช้ได้เป็นปีไอ้สามร้อยคู่เนี่ยนะที่มีเนี่ยหรือเสื้อเนี่เป็นร้อยร้อยตัวเนี่ย ที่นีก็เพราะว่าไอ้ตัวเก่ากาที่ซื้อมาเนี่ยบางกีไม่ได้ใส่เลยแต่พอซื้อมาได้สักเดือนสองเดือนเห็นซ้ำแล้วซ้ำเลาทุกวันทงกวันก็บืดอแล้วสวยแต่ยังไม่ได้ใส่แต่ก็บื่นะอยากได้ตัวใหม่ที่จะมีความสูงซื้อมาแล้วดีใจแต่ความดีใจนันก็เปเรียอประดา ทำให้ต้องอยากจะซื้อตัวใหม่อยากจะซื้อรองเท้าคู่มาสามร้อยคู่ที่มีอยู่เนี่ยนะหนึ่งในห้าอาจจะไม่เคยใส่เลยไม่เคยสวมเลยแต่ว่าเห็นอยู่ทุกวันก็เบื่อนี่เป็นสุขที่ไม่ยัง่งยืนเป็นสุขเร็วแต่ไม่ยั่งยืนแังนั้นถ้าใครที่ ครึพาความสุขชนิดนี้ใครที่ทั้งชีวิเนี่ยปรารถนาจะเป็นคนทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยในส่วนลึกของเขาเนี่ยในส่วนลึกของใจเขาเนี่ยมันจะไม่มีความสุขเลยนะเพราะว่าจะต้องดิ้นรนที่จะมีของใหม่ตลอดเวลาดิ้นรนที่จะต้องถีบตัวให้สมัยใหม่ตลอดเวลาหรือถีบตัวให้เป็นคนทันสมัยตลอดเวลา การที่ต้องไปิีนลนหาสินนั้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแ ม, มีเงินก็จะต้องต้องใช้ต้อ ง, ต, องต้องลำบากเพื่อตะมาเล่าว่าไปเที่ยวปารีสมาไปเดินเล่นแถวถนนชองอลิเซ์นะบอกว่าไปเห็นคนเข้าคิวเป็นแถวยาวตรงร้านลุยวิทตอง เดือนธันวานะอากาศก็หนาไนะแต่คนเท่าคีนี่ยาวเหยียดเยไม่ได้แจกกระเป๋านะพขาขายกระเป๋าใบหลายๆมือ น, นะแต่ผู้คนเนะี่ยอมเสียเวลามีนชั่วโมงชั่วโมงเ น, นะนาวก็หนาวหลายคนเนี่ยมีเวลาอยู่ปารีสเพียงแค่วันสองวันแทนที่จะเอาเวลาที่มีน้อยในปารีสเนี่ยไปดูพิพิธภัณฑ์ ไปชมภาพศิลปะนะกลับมานั่งนะยืนแห่นั่งยืนเข้าคิวตนาวก็นาวนะเพียงเพื่อที่จะจ่ายเงินเป็นหมื่นเพื่อจะมาบอกเนี่ยมีเงินอย่างก็ไม่พ อ, นะอตัวอุ้ยตองเนี่ยมันต้องโง่ด้วยเ <c oughs> พื่อพัชชพัชชันนะถึง <c oughs> นะโง่ในหาไวเสียเวลา เ, เป็นชั่วโมงชั่วโมงแลก็ทนหนาวนี่นะพียที่จะจ่ายเงินซื้อของนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไป กินกาแฟานะไปชมพิธภัณฑ์หรือว่าเที่ยวดูสิ่งที่มันให้ความสุขมื น, ะมงนแง่นี้เนี่ยความทันสมัยเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนเนี่ยกลวงนะกลวงในเรื่องของสติปัญญานะคือถ้ามีสติปัญญาเนี่ยจะไม่มีต่างความทันสมัยนะเพราะว่ามันให้ความสุขเพียงแค่ชั่วคราว แล้วก็มันเกิดมัน ม, มันเรียกว่าสูตชั่วคราวนะแต่ว่าทุกอย่างนานเพราะว่าบางรายการที่เอาชิปติดจานเดือนไปผูกติดอยู่กับวัตถุสิ่นของนะและในเมื่อวัตถุสินของเนี่ยมันมันมีความทันสมัยในเป็นแค่ชั่วคราวเป็นการดีไซน์นะมันเป็นการดีไซน์ของของผู้ผลิตของโรงงานอุตสาหการรมที่ต้องการทําให้ไอ้ของ แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันล้าสมัยในเวลารวดเลยนะสมัยที่ f o ร d เนี่ยเขาทารถเนี่ยฟอร์เลลอรเเดเนี่ยแฮร์รี่ฟเนี่ยเขาผลิตรถเนี่ยเขาจะผลิตรถให้มีอายุที่ยาวนานนะจะผลิตรถให้มันทนอยู่ได้เป็นสิปีนะแล้วก็รถสมัยก่อนก็เหมือนกันนะรถเยอรมันเนี่ยเราก็ยิ่งขึ้นชื่นเรื่องความทนทาน แต่ในรุ่นหลังๆเนี่ยเขาตั้งใจทําให้รถเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานะอายุดได้ไม่เกินหปีหรือว่ายิ่งความทันสมัยแล้วเนี่ยทันสมัยได้ไม่เกินหนึ่งปีแล้วก็ทําให้มันไม่ทันสมัยด้วยการออกรุ่นใหมนะ่พอมีรุ่นใหม่มาเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยไม่ทันสมัยทันทีเลยเนื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราซื้อมาเนี่ยเขบอกววันที่เราซื้อทันทีที่เราซื้อมาเนี่ยนะ มันกลายเป็นไม่ทันสมัยไปนะเพราะว่า ม, มีรุ่นใหม่ออกมาที่ที่ใหกว่าอันนี้เราเป็นความล้าสมัยที่ถูกดีไซน์ขึ้นมานะะมันเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตเพื่อที่จะทำให้ให้ของเนี่ยมันกลายเป็นของไม่ไม่ทันสมัยในเวลาที่รวนเด็วเพื่อที่เราจะได้กระเสือกกระสนดิ้นรนไปซื้อของทันสมัยกว่าก็คือจา่ายเงินให้เขาอยู่เรื่อย เั้นถ้เราวิ่งวิ่งตามวิ่งตามแฟชั่นเนี่ยนะเราก็จะยิ่งนะเป็นทุกข์นะและคนเราเนี่ยจะวิ่งตามแฟชั่นได้เนี่ยนะมันเรียกว่าต้องต้องขาดสติและขาดปัญญางั้นะนะเวลาพูดว่ว่างเปล่าเนี่ยทันสมัยแต่ว่างเปล่าเนี่ยในความหมายน่าจะว่างเปล่าทางสติปัญญา แต่สิ่งที่มันเป็นบงังการกินคือว่างเปล่าความสุขนะคนที่มีมากเนี่ยนะไม่ว่าจะมากเพราะต้องการทันสมัยหรือมากเพราะต้องการที่จะเติมเต็มอะไรบางอย่างในจิตใจแต่เขากลับพบว่าข้างในนี้กลับว่างเปล่าว่างเปล่าความสุขนะและเมื่อว่างเปล่าความสุขเนี่ย แทนที่เขาจะคิดว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาขาดอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าเขากลับคิดว่าเขามีอย่างสิ่งที่เขามียน้อยไปเขาคิดว่าเขามีเงินในกระเป๋าน้อยไปเขาคิดว่าเขายังมีของทันสมัยน้อยไปเขาก็เลยที่ล้นที่จะหาของใหม่แต่เขาก็มีความสุขประเดียวประดาวนะแล้วเขาจะล้นสุขวางป่อยทั้งหนึ่ อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในยุคปัจจุบันมากนะคนใยุคที่เต็มไปด้วยวัตถุสิ่งเสือนะเต็มไปด้วยพวกซัพย์ลั่งคลองบริบูรณ์แต่ยังรู้สึกคร่องความสุดคร่องเนี่ยเป็นปัญหาของคนที่ปฏจจบันคนะวามสุดคร่องเนี่ยนะเขาคิดว่าคร่อง คือขาดสิ่งของในความหมายนี้ก็จริงนะเพราะว่าคนที่มีอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้สึกอยู่เสมอว่าเขายังมีไม่พอเขายังมีไม่พอไอ้ความรู้สึกนี้ไม่พอเนี่ยมันทําให้คนเราเดือดร้อนและความที่มีไม่พอเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากมุมมองด้วย มีตัวอย่างหนึ่งซึ่งอัตมาก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างคลาสสิกนะหมายความว่าเป็นตัวอย่างที่มันสะท้อนบอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือวิสัยใจความนในปัจุบันเพื่อตมาลีเป็นนักเล่นหุ้นแต่ตอนนี้เลิกเล่นหุ้นไปแล้วหลังจากที่ที่ว่าควรจะรี้จักพอแลก็เลยเลิกเลิกเล่นหุ้นตอนที่เล่นหุ้นอยู่เนี่ยไปเจอคุณป้าคนหนึ่ง ที่ตลาดหุ้นพึ่งป้าวนี้จะบอกว่าพึ่งขายพึ่งเป็นตัวหนึ่งเมื่อสามวันก่อนขายลอา็อตจ่ายเลยนะได้กําไรสิบล้านเพื่อนตอมาก็บอกว่าขอแสงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกว่ายินดีแล้วกระล่าถ้าฉันขายวันเนี้ยฉันได้กําไรยี่สิบล้านเพราะห้นมันขึ้นไคุณป้าได้กําไรสิบล้านมมีความสุข น, นะ 10บล้านเนี่ยมันเท่าไหร่ถูก ล, กลอวัที่หนึ่งเนี่ยกี่ใบนะสี่ใบนะจะไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะแกไม่คิดว่าแกได้สิบล้านแตคิดว่าแกเสียสิบล้านฮะวันรุงขึ้นคุป้าแกก็ไม่มาที่ตลาดเพื่อนเพื่อนจะมทีไม่ไปถามลุณป้าว่าคุณป้าหายไปไหนไปถามมาร์เก็ตตินน้งนะ มาร์เก็ตติ้งที่ตลาดพูดมาร์เก็ติก็บอกว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบานแล้วซ้ำนะฮะเข้าโรงพยาบาลพ่อเราเข้าพ่อเครียดที่ได้แค่สิบล้านนะคุณป้าเนี่ยได้สิบล้านแต่ที่ว่าแต่ที่ว่าแกเสียสิบล้านและหลายคนเป็นอย่างนี้นะคือไม่ว่าจะมีทรัพย์มากแค่ไหนเนี่ยแทนที่จะเห็นว่าตัวเองมีเยอะกลับมองแล้วตัวเองยังคร่องอยังขาด รูปของเราหลายของเราเนี่ยนะมีของมีสิ่งเสพมีเครื่องเล่นเนี่ยเยอะแยะแต่บางคนไม่มีความสุขเพราะเกียดกับยังขาดยังไม่มีไ iPhone ยังไม่มีแท็บเล็ตนี่เป็นปัญหาของคนที่ปัจจุบันนะ็คือแม้ว่าคุณจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณคล่องคุณขาวเพราะคุณมองเห็นแต่สิ่งที่คุณยังไม่มี ใจคนอื่นมีนะไอ้สิ่งที่ตัวมีเยอะเนี่ยนะมองไม่เห็นมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวไม่มีแล้วทาไมมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวไม่มีก็ เ, เห็นคนอื่นก็มีกันยุคของผู้คนที่วิ่งตามความทันสมัยเนี่ยผู้คนจะมีความทุกข์แบบนี้แหละคือไม่ว่าจะทันสมัยแค่ไหน ก็จะยังรู้สึกว่าวเกินทันสมัยไม่พอไม่ว่าตัวเองมีมากแค่ไหนก็ย<ม>ังรู้สึกว่าตัวเองมีไม่พอเมื่อตัวเองสวยแค่ไหนก็ยังเชื่อวตัวเองสวยไม่พอวัยรุ่นเนี่ยจะรู้สึกทุกคนถ้าจะทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองยังสวยไม่พอเพราะเอาตัวเองไปเทียบกับไม่รู้เทียบกับอันได้ไหมเนี้ยเทียบกับปลอยรุ่นใหม่ๆสมายนั้นไม่คุ้จักนะ คือเด็กหลายคนเนี่ยจะมีความทุกขนะ์ขาเท่าไหร่ก็ยกเสือขาไม่พอใช่ไหมฮะเพราะไปเทียบกับฟริสหอวังนะนะันะ่อเียหรือเพราะไปหลงเชือ่อคาโฆษณาซึ่งก็ผ่านการรีทัชผ่านการตกแต่งทำให้นางแบบเนี่ยนะดูขาวสวย ยิ่งเพรายิ่งยิ่งไล่ล่าความทันสมัยเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นธาตนะของสื่อนะเป็นธาตของสิ่งเสืสิ่งบริโภคแล้วก็จะรู้สึกอยูเสมอว่าตัวเนี่ยยังคล่องอยูนะ่รวยแค่ไหนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ารูกว่าตังรวยไม่พอรวยพันล้าน ก็ยังสึกว่าตัวเองเนี่ยยังจนอยู่เพราะมองเห็นหรือมองเปรียบเทียบกับคนที่รวยมีล้านความสุดคล่องเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับผู้คนมากมายในยุปัจจุบันอันที่ลวมไปถึงพ่อแม่เนี่ยที่มีลูกที่เก่งมีลูกที่ดีนะแต่ก็ยงังรูสว่าลูกของตดีไม่พอ พอไปเปลียบเทียบกับลูกคนอื่นไอ้การเปลียบเทียบกันเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองพร่องตัวเองขาดและพอรู้สึกวบบ น, นี้แล้วก็จะมีความทุกขนะ์และพอทุกข์แล้วนี่ก็ต้องพยายามดิ้นรนนะที่ทํทำให้ให้ความพร่องที่หายไปทำอย่างไรนะก็เพื่อก็ทำด้วยการมีให้มากขึ้นนะทำให้สวยขึ้นทำให้ขาวขึ้น แต่ไม่ว่าทําอย่างไรเนี่ยมันก็จะพล่องอยู่เสมอเพราะว่าแก้ผิดวิธีนะแก้ผิดจุดเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่มุมมองเพราะถ้าเรามองไม่มองสิ่งที่มีนะเรามองในสิ่งที่ขาดสิ่งที่เราไม่มีเนะี่ยเราก็จะเห็นแต่สิ่งที่เราไม่มีตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนก็จะรู้สึกพร่องเสมอ น, น, นี่เป็นเรื่องของมุมมองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือความรู้สึกพร่องในเรื่องของความสุงนะพร่องความสุดอย่างที่อาารบอกไว้แล้วว่าความสุดที่แท้เนี่ยไม่ได้จะเกิดจากการมีการเสดการบริโภคนะความสุดที่เกิดจากการมีการบริโภคเนี่ยมันไม่ทำให้สุดแท้ ความสุขแท้เนี่ยนะเกิดจากการที่เราเป็นไม่ใช่เรามีนะเป็นในที่นี่ก็หมายถึงว่าเราได้ทำในสิ่งที่มีค่าทำสิ่งที่มีประโยชน์เป็นคนดีเป็นคนมีเมตตาความสุขที่จะเกิดจากการมีเนี่ยนะ มันสู้ความสุขที่เกิดจากการให้ไม่ได้ผู้จ่าตรัดว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขคนสมัยนี้มักคิดว่ามีมากเท่าไหร่ที่มีความสุขแต่ความจริงก็คือว่าถ้าเรารู้จักให้เราจึงจะมีความสุขมากกว่า ก็เคยมีการทดลองนะนักศึกษาเนี่ยสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะอาจารย์ให้เงินนะไปคนละร้อยดอลลาร์บอกกลุ่มแรกว่าเอาร้อยดอลลาร์เนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปกินก็ได้อันนี้ไม่ต้องบอกเนี่ยไม่ต้องแนะนำเนี่ยนักศึกษาก็รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรบ้าง กลุ่มที่สองบอกว่าเอาเงินร้อยดอละลาร์เนี่ยไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นจะไปทําบุญจะไปให้ทานจะไปซื้อดินสอว่าดภาพให้เด็กอยากจนจะไปซื้อของให้เด็กจราจักหรือไปช่วยเหลือคนแก่คนยากไร้ก็ได้แล้วเขก็ให้บันทึกหลังจากที่ไปทำกิจกรรมที่เป็นการใช้เงินร้อยดอละลาร์แล้วก็พบว่า แต่กลุ่มที่สองเนี่ยนะมีความรู้สึกบวกกับตัวเองมากกว่ามีความสุขเป็นบวกกับตัวเองมากกว่ามีความสุขมากกว่ า, ว า, า, กกวานะรู้สึกภาคภูมิใจนะมีความสุขที่เห็นผู้อื่นมีรอยยิ้มจากการที่ตัวเองได้ช่วยเหลือเขา การให้เนี่ยมันทำให้เกิดความสุขบางทีมันไม่ใช่แค่ความสุขใจนะรวมเป็นความสุขกายด้วยมีผู้หญิงคนนึงแกเป็นไมเกรนปวดหัวข้างียู่ประจำแล้ววันหนึ่งก็ได้ทราบว่าบ้าน ป, าป่าเกรดเนี่ยเขารับอาสารับจิตอาสาเป็นที่เลี้ยงไปดูแลเด็ก เด็กนี่ก็มีทั้งแบบเด็กเล็กสามสี่เดือนปเดือยถึงแปดเก้าขวดเธอก็เป็นวิจิตอาสานอาทิตย์ละสองวันปกติเธอเธอเป็นไมเกรนเธอกินยาทุกวันแต่พอเป็นจิตอาสานี่นะแค่สองสามวัน 2, ทย์หรือว่าไม่ถึงเดือนนี่นะเธอก็วันหนึ่งเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าเืนกินยาเืนกินยา ระงับปวดทำไมถึงดึงกินยาปกติแกกินทุกวันมาเป็นปีละหลายปีละไม่เคยขาด mm hmm. เธอลงกินยาเพราะเธอไม่รู้สึกปวดไมเกรนมันหายไปเลย mm hmm. ทำไมไม่เกรนหายเพราะเธอมีความสุขการไปดูรายเด็ก mm hmm. เธอคิดว่าเนี่ยเธอไปให้ความสุขกับเด็กที่กินเด็กให้ความสุขเธอไออาการไอความสุขแบบนี้เนี่ย ไปกินไปเที่ยวก็ไม่หายนะไออาการปวดเนี่ยเธอไปเที่ยวเธอไปกินเธอไปฟังเพลงมันก็ไม่หายปวดต้องกินยาแต่ปรากฏว่าพอเธอไปเป็นจิตอาสาไปดูแลเด็กเนี่ยอาการปวดหัวมันหายไปเลยแต่ไม่ใช่หายตลอดนะหายเฉพาะตอนเป็นจิตอาสาอันนี้ที่วิชาต่าว่าผู้ให้ความสุดย่อมได้รับความสุดนันเอความหมายอย่าง การให้มันทำให้เกิดความสุขทางใจถ้นะาคนเราเนี่ยนะถาาว่าวิ่งตามลุกสมัยให้น้อยลงนะแทนที่จะมุ่งที่การเสกการบริโภคเพื่อใ ห, ให้สมัยใหม่เนะี่ยเรามาหันมาทำความดีกนะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้จักให้ทานนะการแบ่งปัน มันทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นและชีวิตเนี่ยจิตใจจะรับการเติมเต็มนะการเติมเต็มให้กับจิตใจเนี่ยนะก็คือการเติมความสุขให้กับใจและความสุขเนี่ยมันทําได้ด้วยการทําความดีการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความว่างเปล่าในจิตใจผู้คนสมัยนี้เนี่ยนอกจากเป็นความสุขพ่องที่สั ว, วเองยังไม่มีหรือยังไม่พอแล้วเนี่ยนอกจากจะเกิดเพราะมันว่างเปล่าความสุขหรือขาดความสุขแล้วเนี่ยความสุขพ่องอันนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวโยงกันกับที่พูดมาเมื่อสักครู่คือความสวัวเองไม่มีคุนค่าอันนี้เป็นความว่างเปล่าที่ที่กอบกินผู้คนจานวนมากทีเดียวคือสั ว, วเองยไม่มีคุนค่า แม้ว่าจะมีสิ่งเสร็จจุงบริโภคมากมายแต่มันไม่มีคุณค่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะอายุสามสิบสามีเนี่ยก็ทำงานในบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารเนี่ยรายได้ก็ดี ภรรยาเนี่ยก็เคยเป็นนักสแสดงแต่ต่อหลังมาเป็นแม่บ้านก็รมีลูกสองคนฐานะดีแล้วก็มีความเรียกว่าเป็นคนทันสมัยใครๆก็ชมว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแบบอย่างของครอบครัวที่มีความสุขแต่อยู่ไปอยู่ไปเนี่ยสองคนเริ่ม ไม่มีความสุขแล้วตัวสามีเนี่ยก็อยากจะเลื่อนงานให้ดีขึ้นส่วนตัวภรรยาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ยว่างเปล่าตัวเองนี้มีความสามารถแต่ว่าต้องมาเป็นแม่บ้านไม่มีความสุขและสองคนก็เริ่มทะเลาะ ก, กัน ก็เลยคิดว่าเอองั้นเราลองเปลี่ยนวิชีของเราลองไปทำงานที่เมืองนอกดูเปลี่ยนบรรยากาศจะมีความสุขผู้หญิงก็มีความว่าเออถ้าไปเมืองนอกแล้วเนี่ยไปวิโรแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกทุกข้างในนีจะหายไปแต่พอปกว่าสามีได้งานได้รับการเลื่อนตาแหน่ง ในที่เดิมแผนที่จะไปมือนอกก็ต้องพับไปภรรยาเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เลยเกิดเรื่องราของวาแงแผเกิดทะเลาะ ก, กันจนกระทั่งนะชีวิตพูดแตกเราอาตมา ก, ก็มานั่งดูนะว่าครอบครัวนี้ถามว่ามีอะไรที่ลาบากมันก็ไม่ไมีปามไมยู่ก็สบายนะกินอิ่นนอนอุ่นนะ สามีก็ไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้มีผู้หญิงไม่ได้ตอกใจนะก็เป็นแฟมลี่แมนทำ ง, งานนะเป็นรายได้ของครอบครัวภรรยาก็มีความสามารถนะแต่เจอเอลิสสุกเตอร์ไม่มีคุณค่าความสุกัเตอร์ไม่มีคุณค่านี่นะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากนะแม้ว่าจะมีกินมีความ สูงในทางวัตถุนะมีชีวิตที่พังพร้อมแต่เรื่องเนี้ยมันกลวงคือไม่มีคุณค่าแต่ว่าพี่วันนีแกไม่รู้สึกแกไม่ไม่ตระหนัำนะว่าไอ้ความทุกของเธอเนี้ยเกิดจากการที่ลูกสาวตัวม่มีคุณค่าเธอไปไปโทษสามีนะคนเราเนี้ยถ้าไม่รู้จักไม่รู้ทอดทานความที่ม์ของตัว เ, เรามากัก็จะโทษสิ่งอื่นโทษสิ่งภายนอก ไอ้ความรู้สึกว่าตัวไม่มีคุณค่าเนี่ยนะถามว่าทำอะไรที่จะมีคุณค่าคาตอบง่ายคือว่าการรู้จักไปทำประโยชน์จากผู้อื่นการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นยาแต่เป็นโอโสถอย่างนี้นะที่ช่วยเติมเต็มจิตใจให้มีทั้งคุณค่าและความสุข ความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเนี่ยมันสัมพันธ์ความสุขว่ามันมีคุณค่านะเมื่อกระทำที่เราทําสิ่งที่มีคุณค่าด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราจะรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจเกิดความสุขลึกๆหลายคนเนี่ยที่อยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีคุณค่าเขาไม่สามารถจะจะ เขรู้สว่เข้าไม่มีคุณค่าและเขาไม่รู้สึกว่าตัวเเนี่ยจะจะก็สชื่อเขาไม่มีใครเหลืออยู่ในโลกนี้สองอย่างนี่นะหลับสองอย่างกับสองประการสำํสนนาญสำคัญที่ทำใหคนเนี่ยค่าตัวตายเยหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าสองไม่เหลือใครในโลกนี้มี่อยู่คนหนึ่งเนี่ยกชาวญี่ปุ่นนะอันนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึมม้นมาเมื่อหลยสิบปีที่แล้วชื่ออีวาสกิชวิตเธอนี่คล้ายๆกับโอชินเพราเรารู้จักโอชินใช่คือเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วก็พอแม่ยากจนกันทั้งต้องขายลูกลูกสาวเนี่ยให้กับให้กับครอบครัวอื่นแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็ถูกใช้งานหนักห น, นะนังสือก็ไม่ได้เรียนต้องดิ้นรนเรียนหนังสือด้วยตัวเอง และต่อมาเนี่ยก็ต้องไปทำงานรับใช้หญิงบริการที่โรเกอิชาในเกียวโตแล้วก็หลังก็ถูกฝึกมาให้เป็นเก้าอิชาไอ้ช่วงนั้นเนี่ยก็ชีวิตของเธอตั้งแต่เลก็กจนโตเนี่ยก็ถูกกดถูกขีนะถูกทำร้ายถูกเยียดหยาม และชีวิเธอเนี่ยเริ่มมันถึงจุดที่เธอคือว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เมื่อหนึ่งต้องใช้ที่เธอรักตายสองแฟนก็ทิ้งเธอเธอสว่าเธอไม่ไม่เหลืออะไรนะชีวิตฉันเนี่ยมันมันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายเลยแล้ววันนึงเธอก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการเดินเข้าไปในป่าตอนนั้นเป็นเดือนธันวาคมนเกลียวโตที่มันหนาวมากถี่มากที่เต็มตั้งแต่ว่าจะให้ความหนาวนี่นะ ไปตายเพราะความหนาวนี่แปลว่ามีคนลุงคนหนึ่งเนี่ยเชา บ, บ้านอย่างนี้เนี่ยมาช่วยเธอไว้และพอรู้ว่าเธอฆ่าตัวตายเพราะอะไรเนี่ยแกก็พูดมาประโยชน์นะว่าเนี่ยคนที่คิดแบบตัวเองเนี่ยอยากตายทำไมแล้วเธอก็บอกอีวสัสกีว่าเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทํานะอยากจะแนะนําให้เธอทํำนะ ก็คือการกลับไปที่เข้าไปในเมืองได้ช่วยเหลือใครสักคนทำอย่างนี้วันละครั้งเอาทำอย่างนี้วันละคนวันละคนแล้วถ้าเธอยอยากตายให้มาบอกฉันนะฉันจะช่วยเธอตายสนิใจอีวาสติก็ได้คิดนะเธอตัดสินใจกลับไปที่บ้านของเธอนะแล้วเธอก็ทําตามคำแนะนำ ของคุณลุงคนนั้นก็คือว่าหาซื้อหนังสือให้กับเด็กยากจนเด็กจนกันคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญการศึกษา ม, มากการอ่านออกเขียนได้คือเธอคิดว่าเนี่ยตอนที่เธอเป็นเด็กยากจนเนี่ยเธอก็อยากจะอ่านออกเขียนได้ ตอนนี้เธอก็พออา่านออกเสีได้แล้วเธอก็อยากช่วยเหลือเด็กจกเธอก็ซื้อหนังสือให้ตอนหลังเนี่ยไม่ได้ซื้อว่าเป๋านะอ่านให้ฟังหนังสือเกี่ยวกับวิถีทาเธอทํานีท้ทุกวันทุกวันแล้วเธอก็ไม่เคยกลับไปที่ป่าเพื่อฆ่าตัวตาเลยทําไมเพราะเธอรู้สึกว่าชีวิตเธอมีคุณค่าการที่เราได้ชื่อหรือใครสักคนเนี่ยมาทำให้เราซึ่เรามีคุณค่าขึ้นมา อันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นวิธีการเติมเต็มนะความว่างเป่าในจิตใจที่ดีมากคือการช่วยเหลือผู้อื่นะคนเรามีความทุกข์นะไม่ว่าจะรู้สึกว่าตัวเองตัวเองว่างเปล่าไร้คุณค่าหรือความเศร้าโศกเสียใจก็ตามเนี่ยหากว่า เราได้ทําอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันสามารถจะเติมเต็มจิตใจและทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้มีนักสแสดงคนหนึ่งนะเธอเคยประสบความสลในชีวิตนี่เป็นฝรั่งนะอเมริกันเป็นผู้หญิงประสบความสลในชีวิตนะจากการเป็นนักสแสดงแต่ต้นร่างเนี่ย เธอก็มีเายเข้าน้อยลงแล้วก็ตกต่ำลงมาเรื่อยๆเธอก็เครียดหันไปหาเหล้าต่หลังเนี่ยเหล้าไม่พอนะก็หันไปหายาเสพติดยิ่งทำให้ไม่มีใครอยากจ้างเธอไปเป็นดาราไปเป็นนักสแสดงเธอก็ยิ่งเครียดมากขึ้นยิ่งมีปัญหาคนรักนะสามีทิ้ง ก็เพราเธอเมาเนี่นะเธอติดยาเนี่ยเพื่อนพยายามช่วยเธอหลายก็ไม่สำเร็จในชีวิตนี้ก็เรียกว่าจมดิ่งลงไปเลยนะช่วยเท่หลาก็ไม่ขึ้นกลาเป็นคนไม่รับผิดชอบไม่เอาเรื่องไม่เอาทานเนื้อตัวไม่ดูแลเหมือนกับทำร้ายตัวเองแล้ววันหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็เอารูปแมวมาให้รูปแมวเพิ่งเพิ่งออกมาเลยนะ เอามาวางให้เธอแล้วเพื่อนเพ่อไปเธอโมโหเพื่อนมานะเอารูปแมวห้ฉันทำมหมนะแล้วเธอก็เมาแต่หลังจากที่แมวเนี่ยร้องนะแมวร้องอยู่เรื่อยๆเยนี่ยนะเธอก็รู้ว่าวิ่งดูตารไม่ได้ต้องไปหานมมาให้แมวนะแล้วก็ต้องคอยทำความสะอาดแมว เธอจะไปที่ไหนไปไปเมาที่ไหนดื่มเนี่ยเธอก็คิดถึงแมวต้องกลับมาใช่ไหมความห่วงแมวเนี่ยซึ่งค่อยสะสมขึ้นมามันทําให้เธอค่อยๆนะใช้ชีวิตเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะจะไปสำอะไรที่เมาที่ไหนเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นานเพราะเป็นห่วงแมวนะเชื่อไหมในสุดเนี่ย เธอเลิกเล่าแต่เพรอะแมวคนะวามรู้สึกปว่วงความรู้สึกผูกพันนะมันทำให้เธอเนี่ยต้องอยากต่อสู้กับตัวเองนะอยากที่จะเอาชนะเองนิสัยที่อยากจะดิ้งเล่านะและอย่างนึงคือมันเมื่อเธอตัวเังสู้ว่าเธอตัวเองมีคุณค่าอย่างนั้นมีคุณค่าต่อแมวก็ททำให้เธอต้อง ดูแลใจเอาใจใส่เธอาามากคือที่พ่านมาเธอประชดชีวิตว่าชีวิไม่มีคุณค่าแล้วนะปีน่เธอยังไม่อยากฆ่าตัวตายนะแต่เธอประชดชีวิตด้วยการปล่อยทีวิไปแบบไร้คุณค่าเหมือนกับสว่างลอย น, น้ำแต่การที่ได้ช่วยช่วยลดแมวเนี่ยมันทําให้ชีวิตเธอสึกมีคุณค่าขึ้นมานะแล้วเธอกลับมาเป็นผู้เป็นคนใหม่นะแต่ตอนหลังเธอก็เล่าบันทึกเรื่องราวของเธอให้เรารับรู้เน ที่เธอเปลี่ยนพ่ออะไรมีเพียงคนนึงเนี่ยแกสูญเสียสามีฟิลที่เป็นหมอเด็กสูญเสียสามีสามีตายกะทันหนันเธอเศร้ามากหลังจากจัดงานศพเสร็จเธอก็อยังเศร้ายัางส่งมาที่ทำงาน เธอก็ไม่ทำอะไรนั่งเศ้าอยู่อยู่บนโต๊ะในห้องของเธอเพื่อทีแรกก็เห็นใจนะแต่ในไอ้นี่เธอเป็นที่มาสามอาทิตย์เนี่ยเพื่อเห็นว่าจะไม่ได้การในหมายเพื่อก็เพื่อก็ปล่อยเพาเห็นว่าเวลาจะช่วยเยียวยาแต่สามอาทิตย์แล้วเธอยังไม่เป็นกาทำอะไรเลยเพือ่อเห็นว่าเธอซักจะตัางไปแล้ ว, วยายชวนให้เธอไป เราไปนวดไหมนี่เธอก็ไม่ทํำยามชวนให้เธอเนี่ยไปกลับไปทํางานเธอก็ไม่ขยันแล้ววันหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็เอาเด็กเนี่ยเด็กทารถเด็กตายบ่อยมาบางวิธีโต้องเธอแล้วเพื่อนก็ไปเด็กนี่ก็มาจากบอดบอดเด็กนะเด็กเป็นผู้ป่วยเธอก็ไม่สนใจแต่พอเด็กร้องเธอก็ต้องมาดูหาทางทําให้เด็กเนี่ยหายร้องแล้วเด็กๆก็ฉี่เธอก็ต้องเปลี่ยนผ่าอ้ แล้เธอก็นั่งสูมมานะเป็นอยู่นะตลอดบ่ายเลยนะั้นแล้วขอเริ่มงานเธอก็กลับปล่อยเด็กไวนะ้งั้นแต่ว่าลุกขึ้นเนี่ยพอเธอมาถึงโรงพยาบาประโยชนระที่เดือดถามดูไอเด็กคนนั้นเป็นยังไงแนละ้วแล้วเธอก็เริ่มไปดูแลเด็กแล้วเธอก็เริ่มใส่ใจกับหน้าที่ของเธอและเธอก็เรื่อยๆ่อยเริ่มกลักบมาดีขึ้น คือการที่คนเราเนี่ยได้ได้ดูแลใครสักคนหรือว่าได้ดูแลอะไรสักตัวเนี่ยมันนอกจากมันให้เกิดสายสัมพันธ์ที่กตุน้นเมตตาตู น, นาเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยเมื่อได้ลงมือช่วยเขาจริงๆนี่มันทําให้เกิดสุนีคุณค่ารู้สึกมีความสุขมันทําให้รู้สึกว่าเราต้องดูแลเขาให้ดีแนละเพื่อเขาและขนะการความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ เหมือนกต้นไม้ที่มันมันหงอยหเหงาเนี่ยพอมันเจอน้ํามันก็เริ่มมีชีวิตชีวาคนที่เศร้าโศกเสียใจเพราะพัดพลาสูญเสียปรตามหรือคนที่ซวยตัวเองเนี่ยนะไม่มีคุณค่ามเหมือนต้นไม้เนี่ยที่หงอยหเหงาจําเป็นต้องได้น้นนะํำเพื่อที่จะทําทให้เกิดวิชชวิตชีวาขึ้นมาและน้ำที่ทําทให้มีชีวิตชีวา้เนี่ยสําหรับมนุษย์เนี่ยคือ ความได้ช่วยเหลือเพื่อคูณพืชเพราะเมื่อได้ช่วยเหลือเพื่อคูณพืชเนี่ยมันจะปลูกแม่ตากรูนาให้บ่นบางที่ในใจและแม่ตากกูนาเนี่ยมันจะชุบชีวิตของเราให้ให้กลับมามีคุณท่ามความหมายในอเมริกาเนี่ยนะมีบ้านพักคนชราจำนวนมากนะที่เขาให้บริการคนชราอย่างดีเลยนะไม่เหมือนบ้านพักคนชราในเมืองไทยนะ เ็าดูแลอย่างดีแต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นคือว่าคนชราเนี่ยเหล่านี้เนี่ยดูแบบยยไม่เหงาบางคนไม่พูดเลยนะไม่พูดเลยบางคนเอาแต่นอนอยู่บนเตียงนะสั่งกันตายได้ชิวชิวามีสถามมีมีม สถานมีสถานรับดูแลคนชราที่หนึเนี่ยผู้ <c oughs> พิการเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ที่หายไปที่ทำให้คนชราเป็นแบบเนี้แล้วเขาทดลองทำอะไรอย่างถึงสราครหบ <c oughs> เขาเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านองคนชราเอาหมาเอาแมวเอานกเข้ามาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ต้องไฟกับไฟกับ ไฟกับกรรมการของของบ้านพักคนชราสถาบันดูแลบญชลาเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาหมาเอาแมวเข้ามาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่ามันจะสกปรกที่มันไทยจะทําให้เกิดชั้โรคคนชราเนี่ยนะอ่อนไหวต่อภูมิต่อโรคอยู่แล้วเนี่ยเอามาเนี่ยมันอันตรายตล้วมัมีกติ ก, กาของของของเมืองนะของเมืองที่จะควบคุมคุณภาพของ สถานบริการคนชรลาในเรื่องของสุขภาพอนามัยก็ไปเจรจาจนกรทังอนุ ญ, ญาตให้เอาหมาเอาแมวเอานกเข้ามาได้คำถามคือใครเลี้ยงคำตอบคือว่าเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยเอย้คนชรลานนี่แหละดูแลโอ้ที่ารกปิดปัญหามากนะ้วเพราะว่าเจ้าที่บอกว่าฉันงานเยอะอยู่แล้วจะให้เจ้าฉันต้องพาเอาหมาหมา ต้องให้อาหารหมาให้อาหารแมวต้องพาหมาไปเที่ยวต้องพาต้องดูแลมันเนี่ยมันไม่ไหวแต่ปรากฏว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงนะกับคนชรานะคนชราเนี่ยนะเริ่มที่คนคนที่ไม่พูดเนี่นะเริ่มพูดนะเช่นมีคนนึงเนี่ยเอาต้องมาวางแล้วกรมต้องมาวางไว้เขาก็ดูดูลกเนี่ยนะดูพยาบาลดูเจ้าหน้าที่เนี่ยให้อาหารลก แล้วจะดูเฉยๆมาหลายวันเนี่ยวันนึ่งนะคนชรานัก็บอกเนี่ยไอ้นกตัวนี้เนี่ยมันถ้าทํามันจะไม่สบายนะเริ่มพูดแล้วนะแล้วก็คนชราบางคนเนี่ยนะเจ้าที่พยบาลก็บอกชวนไปชวนไปเดินเล่นกับหมาเนี่ยไม่อยอมไปนะเพราแกไม่อยากเดินแต่วันหลังเนี่ย ขอเดินตามขอขอไปกับขอ่อขอเพียบบาไปเดินเล่นกับมาคือมันเกิดความสึกมีชิตชีวาขึ้นมาคนชนาราเหล่านั้นมันเป็นความรู้สึกผูกพันมันเป็นความรู้สึกปวดใจมันเป็นความรู้สึกเกิดไม่ตากลูนาที่อยากจะดูแลอยากจะช่วยเหลือเดม่ ว, ว่าแต่สัต์เลยนะแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยว่าถ้าคนชราเนี่ยก็มีการทดลองนะ เอาต้นไม้มาวางไว้นะในห้องพักของคนชลาเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นคนลดน้ํากลุ่มที่สองเนี่ยให้คนชลราเนี่ยลดน้ําเองนะก็ต้องให้เหตุผลวะว่าทาไมเนี่ยคนชลาคนจะลดน้ำนะก็มีการมีการบิ้วนะให้เห็นความสําคัญการลดน้ําด้วยตัวเอง นะแต่ไม่ได้พูดสุขภาพนะพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบอะไรก็ล แ, แล้วแต่ก็พบเลยนะว่ามันมีความแตกต่างระหว่างคนชราสองกลุ่มคนชราที่ลดน้ำเองเนี่ยนะการใช้ยาเนี่ยน้อยลงนะอันนี้เป็นเป็นเป็นผลที่วัดได้ในเชิงปริมาณแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นทั้งหมดนี้มาแสดงว่าเขามีความสุขมากขึ้น หรือมากกว่ากลุ่มแรกเจ็นแค่ทำอะไรเพื่อต้นไม้เนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพมีผลต่อความสุขมันเ็นเรื่องของิดใจล้วนๆเลยนะซึ่งความสุขส่วนนเกิดจากควาส่วนตัวมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาพูดถึงเรื่องของของชีวิตที่เติมเต็มเนี่ยนะ ความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเรามีสินเสรสินบริโภคหรือว่าเราเรามีความทันสมัยมากหรือเปล่าแต่มันอยู่ที่ว่าเราทารําอนะไรเราทําในสิ่งที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นไหมนะเราได้เมตตา ก, กรุณาเ น, นี่ยมันได้เบ่งบานขึ้นในใจเราจากการที่เราได้ทําความดีเพื่อผู้อื่นหรือเปล่าและมันทําให้เราสื่อมีคุณค่าขึ้นไหม อาจารย์คิดว่ า, านี้ปัจจุบันเนี่ยนะไอการมีการบริโภคเนี่ยไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่หรือทันสมัยแค่ไหนมันไม่ได้มันไม่ได้ตอบมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่สําคัญของมนุษย์เนี่ยคือว่ามันทำใหเรามีความสุขจริงไหมมันทำใหเราสุขจริงคุณค่า ห, หรือเปล่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยก็เพราะหนึ่งรู้สตัวเองมีคุณค่า และความสุขุมคุณค่าเนี่ยก็เกิดจากการที่ได้ทำความดีได้ช่วยเหลือผูคืคอพุดผู้อื่เพานถ้าถ้าไม่ทำตรงนี้หรือไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความว่างเปล่าความรุงเสมอในระวางผู้มาทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าทำยังไงจะทำให้จิตใจไม่ว่างเปล่า คือไม่บ้องเล่าความสุดไม่บ้องเปล่าคุณค่าไม่รู้สึกว่ามันปลวงแต่คราวนี้เราจะมาพูดถึงสักหน่อยเรื่องความทันสมัยแต่ก็ไม่คิดว่าทันสมัยมันไม่สําคัญนะสิ่งที่สิ่งที่ทน่าจะสิ่งที่มันดีกว่าคือนําสมัยนําสมัยนะทันสมัยเนี่ยมันต้องยึดไล่ตามในยุคสมัยนะด้วยการอีการบริโภค แต่สมาชื่อว่าอะไรบ้าอาสมาชื่อว่ า, วาสิ่งที่ความนำสมัยเนี่ยนะมันมีค่ามากกว่านะนำสมัยเนี่ยนะมันหมายถึงการที่อยู่เหนืออยู่เหนือทุกสมัย คือไม่ขึ้นอยู่กับยุคสมัยตรงนี้แหละที่ธรรมะนี่สำคัญนะองค์ธรรมข้อหนึ่งนะคุณธรรมองค์ธรรมข้อหนึ่งเนี่ยก็คืออากาฉริยโกให้ผลได้ไม่จำกัดการและธรรมะเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราประทับไว้ในใจเนี่ยในทําให้เราเนี่ยนำสมัยอยู่เสมอหรือว่าเหนือยุคสมัย ทุกวันนี้เนี่ยคำสอนของูดเจ้าเนี่ยที่สอนมา2500หปีแล้วเนี่ยนะแม้ว่าจะแม้ว่าจะนานเต็มทีนะปีเนี่ยแต่คำสอนของพระองค์เนี่ยนะก็ยังนำสมัยอยู่เสมอในอเมริกาเดี๋ยวนี้เนี่ยบริษัทชั้นนำนะเช่น Google ส m มเอม บริษัทใหญ่ๆในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยการทำสมาธิเนี่ ย, ยมันกลายเป็นมันเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากทั้งในหมู่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ก o เกิลนี่เขามีโครงการฝึกจิต น, นะที่เรียกว่า Search i n น i ซต์ยูเซิร์ฟเซิร์ชอิ i ไซต์ยูเ e ิร์คือแสวงหาภายในใจ แสงหาอะไสงหาความสุขแสดงหาความมั่นคงในจิตใจที่จริงก็คือการทำสมาธินั่นแหละจะให้มีสมาธินั่งสมาธิทุกวันเป็นประจำแล้วก็มีการไปรีทรชหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกสถานที่ เดี๋ยวนี้เราพบ ว, ว่าการการนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นที่นิยมนะทั้งในบริษัทเอกชนแระทั่งในสถานที่สำคัญๆอย่างธนาคารโลกนะหรือว่าในรัฐสภาของอเมดิกานไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่ามีนักการเมรืองสอสจำนวนหนานมาสนใจนั่งสมาธิภาวนาบางที แต่เาไม่ใช้คำ ว, ว่าสมาธินะก็จะใช้คาต่างๆกันเดี๋ยวนี้เนี่ยกะทั่งในโรงเรียนมาธยไทยนะก็มีการฝึกการสอนเรื่องสมาธิเพราะเขาว่าสมาธิเนี่ยมันทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่ทำให้มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นที่แคนาดานเนี่ยเามีการวิจัยพบว่าเด็กป .5 เนี่ย ที่ให้ทำสมาธิวันละห้านาทีนะสามครั้งเด็กเนี่ยนอกจากจะนิ่งมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นหรือว่ามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นแล้วเนี่ยประกัวาการเรียนดีขึ้นด้วยคือเขารู้มานานแล้วว่าการทำสมาธิเนี่ยมันช่วยทำให้ติดใจสงบเย็นแต่เขา คิดไม่ถึงว่ามันจะทำให้ความรู้ดีขึ้นอทําข้อสอบได้ดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเรามองว่าเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยมองว่าคนไทยหรือว่าคนในเมืองนี่ยพูดการสารเนี่ยมองว่าการทําสมาธิเป็นเรื่องเชยแต่เดี๋ยวนี้หลาเห็นไหมว่าการทําสมาธิเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อ ทำกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นโดยเพราะในอเมริกาในยุโรปการสอนเรื่องสมาธิเนี่ยมันแพร่หลายยิ่งกว่าในเมืองไทยสิ่งที่คนเราคิดว่ามันมันเชยมันล้าสมัยเนี่ยในสุดเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่นำสมัยขึ้นมา และจะมาคิดว่าการฝึกจิตอย่างสมาธิเนี่ยมันจะนําสมัยตลอด ก, กาลนะเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยคนเราไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนจเจอไดเทคโนโลยีเพียงดเนี่ยมันก็มีความทุกข์ใจและความทุกข์ใจเนี่ยมันเยียวยาไม่ได้ด้วยการเสรการบริโภคแต่มันต้องแก้ด้วยการฝึกจิตของตัวและสมาธิวิธีและสมาธิาเต็มวิธีหนั้นะที่สามารถจะช่วย ทำให้ใจสนุกและพบกับความสุขได้ยอย่างแท้จริงการนำสมัยเนี่ยนะอ่งที่สุดคือการที่เราอยู่เหนือโลกนะแทนที่เราจะตามโลกตามสมัยเนี่ยนะการอยู่เหนือโลกเนี่ยนะมันทำให้เรานำสมัยแท้จริงเหนือโลกในที่นี้จะมาไปถึงเหนือโลกประธรรมโลกประธรรมเนี่ยมันมีแปดประการ นะได้ลาบเสื่มราบได้ยศเสืิมยศสารเสริมนินทาสุขและทุกไม่ว่าโรคมันจะพัฒนาไปเพียงใดนะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลงยังยังหลงวนอยู่กับโลกธรรมแปได้ราบก็ดีใจเสืิมราบก็เสียใจได้ยศก็ดีใจ เสือ่อมเยอก็เสียใจนะสารเสรเิญก็ดีใจนะถูกดินทาก็เสียใจแล้คําสารเสรเิญเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างไรคนก็ยังดีใจเมื่ออย่างค น, คนก็ยังมีความสุขพออย่างได้แม้คาดินทานเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปไปอย่างไรนะคนก็ไม่ชอบ สมัยก่อนอนะาจจะว่าต่อหน้าสมัยนี้ก็แค่ไม่กดไลค์ก็ทุกแล้วนะฮะมัค่เปลี่ยนรูปนะแต่คนที่ยังเหมือนเดิมนะคือว่าถ้าถูกมินทาถูกต่อว่าก็ทุกคนทุกวันนี้เนี่ย 7,000 ล้านคนก็เป็นอย่างนี้แหละยังหลงวนอยู่กับโลกธรรม8แปแต่ไมไ่้กระตามที่เราอยู่เหนือโลกธรรม8แนะนั่นแหละคือนำสมัยแั้นมันจะไม่มีใครตามทันได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าแทนที่เราจะสนใจเรื่องการทันสมัยเนี่ยเรามาให้ความสำคัญ ก, การที่เรานำสมัยหรือว่าเหนือโลกดีกว่านะ<ม>ก็คือการที่เนี่ยใจเราเนี่ยไม่ติดอยู่กับโลกธรรมแต่ได้เราก็ไม่สุขก็ไม่ดีใจนะเสียเราก็เสียเราก็ไม่ไม่ถูกใจ อย่างนี้แหละนะที่จะทำให้เราเนะี่ยอยู่เรียกว่าเรียกว่าเป็นคนพิเศษอย่างแท้จริงนะเป็นความพิเศษอย่างแท้จริงกนะ็คือว่าเมื่อเวลาใครชมก็เฉยเฉยเมื่อเวลาใครมาต่อว่าก็ไม่โกรธไม่เสียใจ เวลาได้นะก็ไม่ดีใจเวลาเสียนะก็ไม่ทุกเวลาเจ็บเวลาป่วยนะก็ไม่อายากบวยวายไม่ตีโพยตีพายในะเวลาจะตายก็ไม่ทุรนทุรายอันอย่างนี้ต่าหาที่เราเป็นความพิเศษนะและมันจะเป็นบอกกระงความชีวิต่แท้จริงมันธรรมดานะเวลาใครชมเราก็มี ก็ดีใจเวลาใครต่อว่าเราก็ทุกแต่ถ้าเกิดว่าคนต่อว่าถูกต่อว่าแล้วเราไม่ทุกเนี่เออเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องที่เราควรจะมีมากกว่ามีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับหลวงปู่ขาวนารโยนะตอนที่ท่านไปสร้างวัดทำกองเพลทที่อุดอรเนี่ยทก็มีแม่เชีอกนต้ตามตามมาอุปถัมภ์ท่าน แม่ชีสามแม่ชีคนนี้เนี่ยไม่ใช่รพระอุปัฏฐากพระดีอย่างเดียวนะปฏิบัติธรรมก็ดีจนท่านหลวง ป, ปูป่ขาวก็ชมว่ามีสองที่ที่ที่หมดหรือว่าที่น้อยลงนะที่ที่ลบและที่โปรววันหนึ่งเนี่ยก็ให้พระสองรูปเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยไปดา่าแม่ชีสาไปดูว่า แม่ชีสานลความโกรดไปได้มากล้ายท่ายแค่ไหนนะอาจารย์สอรุ่นนั้นก็ไปด่าแม่ชีสากม่ติดเลยนะสรรหาคำสารพัดมดานะแม่แชีสาที่แรกก็งงนะแต่ว่าก็พนมมือฟังอย่างสงบเลยไม่มีอาการเศร้าโศกเสียใจหรือโปรดเลยพอพระสอรุ่นท่านท่านด่าจบนะ แม่สาก็แทนที่จะโกรธก็ถามว่าท่านดา่าหมดแล้วเลยนะท่านด่าหมดหรือยังนะท่านด่าหมดหรือยังนะดิฉันฟังแล้วทราบชื่น เ, เกินนะทุกอย่างที่ท่านดา่าเป็นธรรมทั้งนั้นเลยคำนะหน้าก็ขอให้มาดา่ายนะมันช่วยลดกินเลยช่วยคูดกิเลได้ดีมาก อันนี้แหละอาตมาว่าคนอย่างเนี้ถึงแม้ว่าจะดูเชยนะไม่ทันสมัยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนำสมัยมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าคนอย่างนี้แหละนะคุณสมบัติอย่างนี้แหละนะที่เราควรจะมีะ <c oughs> และถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนใครนะ <c oughs> มันจะไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้อยทั้งร้อยเกือบจะร้อยทั้งร้อยสุนดาก็ทุ่ ถ้ไม่ปลวกก็น้อยใจฉันทําดีทำไมมาว่าฉันทำไมอาจารย์ไม่เป็นคําเลยนะไม่เห็นความดีของฉันเลยหรือก็ปลวกก็แกเป็นใครนะดีแค่ไหนถึงมาด่าฉันไอ้แบบนี้เนี่ยเราเห็นกันทั่วไปแต่สิ่งที่ไม่เหมือนไทยเนี่ยก็คืออย่างไม่ชีสานี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นตัวอย่างคนที่อยู่เหนือโลกธรรม อันมาคนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ท้าทายนะที่เราควรจะไปให้ถึงนะแต่ถ้าเราเข้าถึงภาะวะเชนนั้นได้เนี่ยนะมันจะมีความสุขมากชีวิตจะสงบเย็นจะเป็นสภาวะที่ไม่เหมือนใครแต่ไม่ได้ทำเพราะต้องการจะไม่เหมือนใครนะเพราะถ้า ยังทําเพราะความต้องการแบบนั้นก็ เ, เรียกว่ายังมีอัตราอยู่นะแต่ว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนใครจริงๆนะถึงแมนะ้ว่าจะไม่ต้องการต่อตามอาจารยมาช่วแทนที่เราจะไล่ล่าความทันสมัยนะเราพยายามฝึกตนให้ให้นำสมัยหรือให้อยู่เหนือโลกแบบนี้ดีกว่าก็ผสม เ, เวลาแนละ้วเนี่ยก็ควต้องมีเตจการบางอย่าง เทพจริงหรือเปล่าอาตมาคงไม่ใช่นะเป็น ต, ตั้งตนเองแต่นี้เขาเรียกว่ามีปัญญาด้นกาครมันขึ้นอยู่ว่าเหตุผลคืออะไรนะถ้าเหตุผลก็คือว่าเพราะเชื่อว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภทำให้เกิดความสุขความเจริญนะอาตมาก็คิดว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูก เพราะว่าอย่างแรกก็ในมุมมองพุทธศาสนาเพรพุทธศาสนามองว่าความสุขความเจริญเริดขึ้นได้เนี่ยจากการกระทําของเราเองเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทำนะความสุขความเจริญที่แท้และ ย, ย, ยั่งยืนเนี่ยเกิดจากการกระทําของเราซึ่งก็ได้แก่ความเพียรพยายามนะการมีสติมีปัญญา เป็นต้นรวมทั้งการทําความดีเช่นการรักษาศีลด้วยนะคอาจ า, ารย์แต่บางมนุษย์เราจะล้่ได้เพความเพียรแต่ความเพียรในที่นี้เนี่ยท่านหมายความเพียรในการทําความดีถ้าเพียรในการตกแต่งอาร์เนเจอร์ให้ลูปเทนก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยถ้ามองจากพุทธมองจากมุ่งพุทธเนี่ย การไปปรนนิบัติลูกเทศด้วยความคิดว่าจะทำให้เกิดความสุขความเจริญเนี่ยมันก็ผิดทางนะมันต้องทำความเพียรได้ตัวเองต้องขยันต้องมันเพียรแนะต้องมันทำความดีเกิดหอมรอนิ์นะถึงจะประสบความสุขความเจริญได้แต่ถ้าเกิดว่ามีลูกเทพแล้วเกิดความมั่นใจ ในการทําความดีในการดําเนินชีวิตนะในการทําความเพียรอา ต, ตมาเราก็ยังเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยอมรับได้ในมุหมองพุทธศาสนาไนดะคือว่าถ้าถ้าไอความเชื่อที่มีอยู่เนี่ยมันไปส่งเสริมนะความเพียรส่งเสริมการทําความดีหรือว่าไม่ไปบั่นคอนไม่ทําให้เกิดความประมาะห์ วัตุมงคลสิ่งสักสิทธิ์หลายอย่างเนี่ยพอไปเชื่อแล้วทําให้เกิดความประมาทก็ได้ mm. เช่นพอได้พระเครื่องพระสมเด็จแล้วขับรถประมาทเนี่ยขับรถเร็วอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะ mm. บางทีทําให้ตายได้พอวัตถุางคนมีน้าสาวคนหนึ่งเนี่ยนะแก จ, จะกินเหล้าจนเมาเลยนะกลางคํากลางคือ แล้วก็ขับรถกลับไปกับเพื่อนบอกว่าขับไปเถวเนี่ยแถวแถวรามอินทรงบอกว่าอาเจียนแกก็ไปอาจเจียนก็หยุดรถแล้วไปอาเจียนตรงไอ้คูน้ําหรือคลองเนี่ยข้างถนนอาเจียนบอกว่าอ้วกเนี่ยพักเครื่องเนี่ยพักสมเด็จของแท้เลยนะตกลงไปในคู ในคลองเพื่อนี่ห้ามไว้อย่าลงแต่ด้วยความเสียดายลงไปนะทั้งที่เมาเพรบะเว่าไม่ขึ้นมาเลยตายนี่ทารนีิสอนว่านอกจากพระสมเด็จจะไม่ช่วยแล้วเนี่ยกบทำให้ตายด้วยใช่ไหมเพราะถ้าไปลงไปเนี่ยก็ไม่ตายใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า เห็นแล้วเนี่ยเนี่เครื่องเนี่ยพัสมเด็จเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นนะนอกจากจะไม่ช่วยให้รอดแล้วนะยังทาให้ตายเพราะนี้อ ย, อย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปฝากความหวังไว้กับสิ่งนี้หรือว่ายึดติดถือมันเพราะอาจจะลงเคยแบบนักศสาวคนนี้ก็ได้นะคือตายเพราะพัดเครื่องตายเพราะวัตถุม ง, งคล น, นะแล้บางคนเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะประสบความเสือ่อมเพราะลุกเทพก็ได้ แต่ว่าถ้าใช้ให้เป็นหรือว่าถ้าหากว่ามองถ้าหากว่าพัดลูกตุกตาลุเแทหรือวัตถุมงคลใ น, คนร็ตนเนี่ยมันไปนเค้ื่องทำให้เกิดกำลังใจทำให้ส่งเสริมความเพียนะอาตมาว่าก็ยังมีสิ่งที่ยอมรับได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเชื่ออะไรไม่สำคัญแต่ว่าเชื่ออย่างไรนะ เชื่อปีศาเทวดาแต่ช่วยรักษาป่าอันนี้ดีนะคนสมัยก่อนก็เชื่อแบบนี้นะไม่กล้าทำลายป่าเพราะเชื่อว่ามันมีลูกคเทวดาแต่สมัยนี้พอไม่เชื่อลูกปีศาเทวดาเป็นวิทยาศาสตร์ก็เลยตัดไม้ทําลายป่ากันใหญ่เพราะไม่กลัวผีเนี่ยไม่กลัวลูกคดเทวดานลยถ้าเชื่อแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อแบบเป็นวิทยาศาสตร์บางทีก็ถ้าเชื่อไม่เป็นก็อันตรายเช่นเชื่อแล้วไม่ พอคิดแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็เลยไม่เชื่อรล้วก็ลกสวรรค์ก็เลยทําชั่วนะเชื่อล็อกสวรรค์แล้วไปการทําชั่วแต่มาว่าดีกว่าเชื่อวิทยาศาสตร์แล้วทําชั่วได้สบายใจเนะี่ยทั้นเชื่ออะไรไม่สบายแลว่าเชื่ออย่างไรอันนี้พูดแบบพูดนะ